กราบน้ัมศการท่านอาจารย์คริขลิและท่านวรวาชัชย์เลเมธีพวกเราในที่นี้ได้มีโอกาสจากท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะที่จะทำให้พวกเราเองได้ประจักษ์แจ้งในเรื่องของการพิจารณาชีวิตตามกฎของธรรมชาติที่เป็นกฎแห่งกรรมที่ถูกต้อง โยมในฐานะของเจ้าภาพสทิหมรมสถานร่วมกับสาบิกาศิขาไ่ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองที่ได้ให้เวลาอันมีค่ากับพวกเราที่มารวมตัวกันนัดที่นี้โยมไม่ได้รับรายงานเรื่องจำนวนวนแต่เท่าที่มองดูก็ก็มากหน้าหลายตาอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าถึงเวลานัดหมายที่พวกเราเองก็หวังว่า การได้ใช้โอกาสในการที่จะฟังคำแนะนําของท่านอาจารย์ซึ่งก็จะมีความร่วมมือกันในหลายฝ่ายตั้งแต่นิสิตของสาาวิกาสิขาลัยที่จะเข้ามาทําบทบาทหรือหน้าที่ของพิธีกรในวันนี้รวมทั้งสื่อมวลชนที่อยู่รายรอบณนะธรรมาศาลาแห่งนี้ที่จะขออนุญาตท่านอาจารย์ทั้งสองไว้ก่อนว่าเราจะขอขยายผล โดยนำเรื่องนี้ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆเพื่อให้สังคมได้ตื่นขึ้นถ้าอาจารย์ให้โอกาสโยมจะได้อนุญาตให้เขาได้ทำหน้าที่เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็เชิญพิธีกรเข้าสู่รายการก็ กรับมามัธการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะธรรม ส, สวัสดีคุณแม่แล้วก็ทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ในธาารรมศาลาแห่งนี้นะคะวันนี้มองไปเนี่ยฮัลโหลมองไปเห็นรอบๆ ร, รู้สึกคนจะล้นธาารรมศาลาแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นหัวข้อเสวนาที่มีคนสนใจแล้วก็ตอบรับเข้าร่วมพูดคุยมากเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการทํางานร่วมของหลายๆองค์กรนะคะ โดยเราจัดกันที่นี่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ร่วมกับสาวิกาศิกขาไยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของเสถียรธรรมสถานรวมทั้งได้ร่วม ก, กันกับสถาบันของพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งตรงนี้คือสถาบันวิมุตตยา ล, ลัยและก็วัดนาป่าพงนะคะหัวข้อวันนี้ไม่ทราบคนตั้งชื่ออยู่ไหนนะคะอยากเจอหน้ามากเลยรู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริงกรรมของกฎแห่งกรรมเราพูดเรื่องกรรมกันเยอะมากในช่วงเวลานี้ เราเข้าใจกรรมฉบับพระพุทธเจ้าแค่ไหนในช่วงเวลาประมาณสองชั่วโมงเสศษเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะก็ขอกลับธรรมสถารอย่างเป็นทางการค่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลจเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงค่ะและท่านพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีนะคะซึ่งท่านวรวชิระเมธีท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยค่ะกลาบธรรมสวัสดีค่ะท่านและคุณแม่ชีสันสนีเสถรษรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะธรรมสวัสดีคะ่ะ หนูถามคำแรกแบบง่ายๆแล้วกันค่ะพระอาจารย์ทั้งสองท่านและคุณแม่นะคะแต่ว่าจะขอกลับเรียนให้ท่านพระอาจารย์ชุติิศได้เล่าให้เราฟังก่อนว่าคําว่ากรรมกรรมในพุทธศาสนากรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ได้กล่าวไว้ได้สอนไว้จริงๆแล้วคืออะไรคะเราต้องทําความเข้าใจกันยังไงเจ้าคะกรรมในในพุทธศาสนาเนี่ย ก็พระเจ้าได้ตรัสไว้หลายนัยยะเหมือนกันนะนัยยะหนึ่งที่พระองค์บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคลคลคสรทราบนะคืออะไรคือตัวกรรมเนี่ยคือแปลว่าการกระทานะการกระทำของอลายการกระทำของจิตพระเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจำคีย์เวิร์ดตรงนี้ไวด้ดีๆพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม นะอย่างที่สองเรื่องที่คนควรทราบอย่างที่สองนะ <c oughs> พระองค์บอกว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัะผัทะเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรมพัทะคือการสัมผัสการกระทบของอะไรของวิญญาณหรือจิตนะจิตมโนวิญญาณนี่สามชื่อนี่พู้เจ้าบอกว่าคืออันเดียวกันนะ่นะคือตัววิญ ญ, ญาณขันะ่ะผู้รู้นั่นแหละความรู้สึกของเรานี่แหละนะอ่าจิตมโนวิญญาณ คือสัมผัสนะหรือผัสสะนะผัสสะของอะไรล่ะของจิตกับรูปนามคือทั้งหมดที่เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะมีห้าธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะวิญญาณเข้าไปทำงานกับรูปบ้างเข้าไปรับรู้นั่นเองวิญญาณเป็นผู้รู้เข้าไปรู้รูปเข้าไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารสี่ธรรมชาตนี้ เป็นธรรมธาตุที่มีอยู่จริงในโลกและเราก็ยึดว่าเป็นตัวเราของเรานะจิตเป็นผู้ที่เข้าไปรู้รูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาคือความจําได้หมายรู้เวทนาคือสุขทุกขเบกขานะสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งนะเราตรวจได้ไม้ตรวจได้นั่งรู้ลมหายใจอยู่ขนาดนี้ยเดี๋ยวจิตหลุดไปคิดเรื่องอดีตบ้างมีสติกลับมาหลุดไปคิดอนาคตบ้างมีสติกลับมาหลุดไป รู้สึกสุขทุกบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะเป็นเรื่องของกรรมนะ <c oughs> ผู้เจ้าจึงบอกว่า <c oughs> เหตุเกิดของกรรมคือผัทธะพัทธะการกระทบจิตที่เข้าไปกระทบรูปนามนี่กรรมเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมตรงนี้ผู้เจ้าจึงบอกว่าภัทธะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของกรรมนะและพระองค์ก็บอกว่า เมื่อกรรมเกิดแล้วเนี่ยมันมีประมาณต่างๆเรียกว่าเวมตะตาแห่งกรำความมีประมาณต่างๆของกรำกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในปรหิโลกเทวโลกมนุษย์โลกนร ก, กําหนเดชานเปลิวิสัยมีนะ <c oughs> ความดับของก ร, รมมีไหมอุ้ยเจ้าบอกมีความดับของกรำดับที่ผัสสะนะถ้าผัสสะดับจิตที่เข้าไปรับรู้แล้วคลายตัวออกมากำดับ นะเพราะฉะนั้นกรรมก็มีการเกิดและมีการดับนะสิ่งใดมีการเกิดการดับสิ่งนั้นเป็นอะไรอนัตตาแสดงว่ากรรมก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงมีชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะวิบาสของกรรมคือผลของกรรมมีไห้เพราะองค์บอกว่าผลของกรรมมีสามระดับนะผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนะในอุปปัชชะคือในเวลาถัดมาและในอัประปริยายในเวลาถัดมาอีกมีสามระดับถัดมาแค่ไหนไม่รู้ ส0ปียี่สบปีชาติหน้าหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะถ้าทำกรรมหนักเช่นค่าพ่อค่าแม่ค่าพลันททำผู้ชายให้้าเลือดทำสงให้แตกแยกนี้อนาตลิกกรรมรับผลก่อนนะในที่จะทำคือในปัจจุบันนะแล้วแต่ความหนักเบาส่วนสุดท้ายซึ่งบุคคลคนทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมคือก ร, รมมะนิโทกขา ม, ม่ีปฏิปทา อ, อันนี้น่าสนใจคือวิธีดับกรรมนะ ความดับกรรมมีเมื่อกี้คนละอันกับวิธีดับกรรมนะความดับกรรมคือพรรษะนะจิตแยกออกจากรูปนามปุ๊บกรรมดับแต่วิธีดับกรรมคืออะไรผู้เจ้าบอกว่าอาริยมัตมีองแปดคือวิธีให้ถึงซึ่งความดับของกรรมนะมัตแปดเนี่ยพูดย่อๆเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่เราเข้าใจนั่นเองที่เคยได้ยินกันหรือพูดย่อๆเป็นสองพระองค์ก็กล่าวว่าสมถะและวิปัสสนา อันนี้คือย่อเป็นสองกับย่อเป็นสามของมรรคแปดที่พระองค์ได้จัสเอาไว้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้เรื่องของกรรมนะเพราะฉะนั้นวิธีดับกรรมมีไหมมีดับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยดับแบบถาวรนะไม่ดับก็แค่แก้ก็นิดๆหน่อยๆนะกรรมเราทํามามากมายสังสารวัตรนี่ยาวไกลนะยาวไกลมากนะเพราะฉะนั้นเราไปแก้กรรมตามความเห็นของใคร นะปัญหาคืออย่างนี้ทุกคนมีความเห็นหมดเลยนะทุกสำนักมีความเห็นหมดแต่ใครรู้จริงสำนัสมณพราหมณ์เหล่าใดพูดจริงรู้จริงเราเชื่อพระตถาคตว่าพระตถาคตรู้จริงผู้เจ้าปราบความเห็นในครั้งพุฒิการของบรรดาปริพาชกทั้งหลายมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในสองพันร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เราต้องเอาคํำผู้เจ้ามาปราบความเห็นใหม่อีกเหมือนกันมาปรับความเห็นนะของ สาาํานักพานทั้งหลายเหล่าอื่นที่มองในเรื่องกรรมต่างมุมไปนะต่างคนต่างก็มีมุมมองนะบางคนก็บอกว่าอ้าวเดินลงในแม่น้ํานี้ขึ้นมาแล้วกรรมหมดหรือบ้างก็ว่าอ้าวผ้าขาวคลุมไปสูดสวดเดินออกมาพ้นกรรมแล้วนะอืเอาไม้มาเคาะบ้างเอาน้ําไปลดบ้างแล้วแก้กรรมผู้เจ้าบอกแก้ไม่ได้หรอกมันจะไปเข้าคล้ายๆกับพิธีของสำนาาักพานเหล่าอื่นในครั้งพุทธกาลเช่นผู้เจ้าไปเจอนางปลามณี นะก็บอกเธอกําลังทําอะไรบอกทำพิธีปัญจโลหินีนะบูชานะแก้กรรมอะไรก็ว่าไปเขาก็ย้อนถามผู้เจ้าแล้วของสมณะโคโดมมามีไหมผู้เจ้าบอกเราก็มีเหมือนกันเรามีอาริมัมีองค์แปดนี่อ่มันมีกันทั้งนั้นน่ะนะใครก็มีใครก็มีความเห็นแต่ความเห็นใครเป็นสัจจะถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการเป็นอักกาลิโกใครเป็นผู้รู้จริงใครที่พบเทวดาทั้งหลายมากราบทั้งหมด ผู้เจ้าบอกพรหมเทวดาทั้งหลายนะย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นมาแต่ที่ไกลนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครในโลกระทาดนี้ต่างกราบไหว้พระอาหารหันต์ผู้เข้าถึงความไม่ตายได้แล้วนะรู้วิธีดับกรรมจริงๆวิธีดับกรรมของผู้เจ้าเนี่ยเมื่อดับแล้วหรือปฏิบัติแล้วเนี่ยนั่นก็คือถอนอุปทานออกจากขันธ์ห้านี้ได้ถ้าเรายังมีขันธ์ห้าอยู่ เราก็มีกรรมเพราะว่าเรามีจิตเนี่ยจิตมันเป็นคนทํากรรมนี่ถ้าจิตเป็นเราเราก็มีกรรมเราอยู่ในระบบของมันแล้วจะไปแก้อย่างไงไม่ต้องแก้เลยแก้เรื่องนี้เรื่องน้นโผแก้เรื่องนี้เรื่องนั้นโผล่โอ้โหมีทํากรรมมากี่เรื่องเป็นแสนเป็นล้านล้า น, านเรื่องนับไม่ทวนนะแค่ในชีวิตนี้ยมจําได้มหมยมตบยุงมากี่ตัวแล้วนะฆ่ามดมากี่ตัวจำไม่ไหวหรอกนะอ่าเพราะฉะนั้นไปมัวแก้อันโน้อนอันนี้เลยไม่หมดหรอกแก้ไปทั้งชีวิต นะหมดแรงก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรนะอยู่กับปัจจุบันนะรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนานะปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดเดี๋ยวกรรมจะค่อยๆหมดไปเองอันนี้เอาเข้าๆเกินๆก่อนนี่คือวิธีนะแกรกมหรือวิธีดับกรรมของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกำนะค่ะก็พระอาจารย์ท่าน ก่าวขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะพระอาจารย์ท่านศึกษาเกี่ยวกับพุทธวจนะนะคะคือคำกล่าวจากพระโอษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สกัดมาให้เห็นเลยว่าพระ อ, องค์ตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรแต่ฟังดูแล้วไม่ตื่นเต้นเจ้าค่ะเพราะกรรมที่ได้ยินมาเนี่ยในศตวรรษที่21ตอนนี้มันมันดูน่าตื่นเต้นกว่านั้นกลับเรียนถามพระอาจารย์วอเจ้าค่ะ จริงๆในฉบับแบบพระพุทธเจ้าตื่นเต้นกว่าที่พระอาจารย์คริสพูดได้ไหมทุกค่ะคือเรื่องกรรมเนี่ยมีสองมิติมิติที่หนึ่งเป็นกรรมระดับศิลธรรมอันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนหนังแฟนตาซีเหมือนนิยายไซไฟสนุกมีมีคนทำกรรมแล้วก็มีการรับกัน มีคนหนึ่งไปทำอะไรไม่ดีไว้แล้วก็มีคนรู้นว่าคอยดูเธอเดี๋ยวกรรมให้ผลมันจะโดนอันนี้สนุกเขาเรียกว่ากรรมระดับศีลธรรมคือมีตัวบุคคลผู้ทำกรรมและก็เป็นผู้รับผลของกรรมกรรมระดับศีลธรรมนี้ก็คือกรรมที่เราเทศเราสอนเราเชื่อถือเราปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้เราพยายามจะตัดกกันอยู่ก็ แล้ที่เราพยายามจะตัดกรรมกันอยู่ในเวลานี้ก็เป็นการพยายามจะตัดกรรมในระดับศิลธรรมคือเราเชื่อกันว่าใครใครบางคนเคยทําอะไรเอาไว้ในบงเล็บนะในทางไม่ดีด้วยแล้วก็วันหนึ่งเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะถ้าไม่ตัดกรรมนี่มันตามมาทําในชั้นตายแน่เลยนะก็เลยทําวิธีตัดกรรมในการทําวิธีตัดกรรมมาตมาก็ติดตามอยู่หลายสํานักนะปกซีดีชุดใหม่พระอาจารย์ี่ ใช้มีดเป็นปกนะตังชื่อว่าตัดกรรมจําเดาพุทธคือให้ลูกศิษย์ไปดูเลยว่าเขาทําพิธีตัดกรรมยังไงก็ถ่ายรูปมีดมาเลยคือกรรมแบบศีลธรรมเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อน่ะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาในกอเนี่ยไปทํากรรมเอาไว้แล้วก็เกิดกรรมขึ้นมากลุ่มก้อนหนึ่งนะใช้หมาไช้เนื้อกําลังวิ่งไล่ตามในกอไปทุกหคดทุกแห่งอ่ะให้กอรู้สึกตัวขึ้นมา ไปขอให้พระทำพิธีตัดกรรมระก็ไปเอาบีดมาบีดตัดลงงนี้บ็ดนะตัดตัดวายในงานฝังรุกนี้บีดอ่ะเอามาทําพิธีส่วนแล้วก็ตัดโชคลงไปแล้วก็บอกว่าโยมสบายใจได้แตมาตัดให้แล้วนะจากนี้เป็นต้นไปเตรียมทัวเป็นนายกเห็นไหมติดเจหรือยังเนี่ยก็สบายใจกันไปแล้วก็รับทรัพย์กันไปฉะนั้นกรรมระดับศีลธรรมอย่างนี้เนี่ย พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เชื่อกรรมในทัศนะพระพุทธศาสนากรรในทัศนะพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องแยกก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นในการแยกล่ะก่อนจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ในเชิงลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งพระอาจารย์นั่นปูเพื้นเอาไว้ดีมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องแยกก่อนนะว่ากรรมแบบไหนเป็นกรรมแบบพุทธกรรมแบบไหนเป็นกรรมที่ไม่ใช่พุทธ พุทธเจ้าท่านจัดเอาไว้ชัดว่ามีลัทธิสามลัทธิที่สวนทางกับพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงจริงๆถ้าจะทําความเข้าใจเรื่องกรรมนะทําความเข้าใจลัทธิสามประการนี้ถ้าเข้าใจแล้วจบเลยเรื่องกรรมเนี่ยเพราะที่เหลือมันจะเป็นกรรมพุทธหมดเลยนะลัทธิที่สวนทางกับหลักการของพระพุทธศาสนามีสามลัทธิหนึ่งลัทธิกรรมเก่าหรือปุเพกตาวาด และที่กรรมเก่านี้เขามีความเชื่อกันว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเป็นไปในวิถีชีวิตของเราแต่ละคนก็ดีทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นผลพวงของกรรมเก่าที่เราทำเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มานั่งอยู่ที่เนี่ก็กรรมเก่าพามาที่ทํามาขาขายแล้วไม่ร่ำไม่รวยทุกวันนี้ก็กรรมเก่าพามาเกิดมาแล้วมันโง่ดักดานี้ก็ยอมรับเถิดกรรมเก่า นะ่ะมีเงินมีทองรับเพื่อนมาจิกไปอย่างเงี้ยนะชาติที่แล้วก็ไปเอาของเขามาทั้งนั้นล่าสุดเพิ่งเคยได้ยินวิทยาที่ายกรรมเก่านะมีเด็กคนหนึ่งถูกกระทําชําราแล้วก็ไปหาผู้รู้เรื่องกรรมผู้รู้เรื่องกรรมก็จับมาสแกนกรรมทําใจนะลูกนะชาติที่แล้วเนี่ยลราเมื่อถี่ข้อสามนะลูกนะชาตินี้เขาตามมาเนี่ยถูกกระทําชําราตารวจนั่งฟังอยู่ด้วยตํารวจเลยบอกว่าถ้างนะั้นผมก็ไม่ต้องตามคนร้ายสิครับเพราะว่าคนร้ายเป็นเจ้ากรรมนายเวร ตำรวจต้องทําอะไรใช่ไห ม, มันเป็นเหตุปัจจัยเก่าอ่ะเนี่ยคนที่เกิดมาจนก็เพราะว่าชาติที่แล้วไม่เคยให้ทานนี่เป็นวิธีอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตว่าเป็นเพราะผลของกรรมเก่าคนรับก็คือเราเกิดมาเพื่อที่จะก้มหน้ารับกรรมเรากลายเป็นบุคคลประเภทยอมจํานนต่อปัญหาชีวิตนี่คือผลเสียนะถ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพระผลของกรรมเก่า เราจะกลายเป็นกลุ่มบุคคลประเภทไม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรพัฒนาอะไรเลยเรายอมรับชชตากมอย่างเชื่องเชื่องสองลทัทธิอีสวนในมานาวาชนะหรืออีสวนนิรมิตตวาทแปลง่ายๆว่าลทัทธิเทพเจ้าบรรดาลสังเกตไหมตอนนี้เทพเจ้าทั้งหลายพาเรตมาอยู่ในประเทศไทยหมดแล้วนะึงพระพมนี่ได้กลายเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว สตูการ์ดรามเทพก็ตอนนี้ก็ขอเกณฑ์การ์ดอยู่นะเทศทั้งหลายที่มีอยู่ในทั่วโลกในเวลานี้พาเรทเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคนไทยนี่ไม่ค่อยชอบประวัติศาสตร์ถ้าเรียนประวัติศาสตร์กันนิดหนึ่งก็จะรู้รู้ดีว่าประเทศที่มีเทพมากที่สุดในโลกคืออินเดียก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่เจริญบางเมืองเท่านั้นเองส่วนใหญ่นั้นก็ยังตกอยู่ในปัญหาความยากจน ในคนที่ตกสํารวจจากบัญชีสํารวจประชากรเป็นร้อยล้านพระจารย์เข้า อ, อ, อินเดียทุกเปีปีละหลายครั้งเมืองบางเมืองเนี่ยากจนค้นแข้นถึงขนาดว่าน่าตกใจเพราะติดอันดับโลกอย่างมคตเคยเป็นเมืองของมหามนาลอสุรมหาราชทินพิศ า, าชาชันศัตรูเวลานี้เป็นเมืองที่ยากจนที่สุดในอินเดียเพราะปัญหาคอร์รัปชันคำถามก็คือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเป็นไปประเทศบันดาลก็ประเทศที่มีเทพมากขนาดนั้นทำไมยังยากจนอยู่ ถ้าเราคนไทยเรียนประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียนะเห็นว่าในเมืองไทยตอนนี้เต็มไปด้วยเทพเราคำนวณแนวนโน้มของประเทศไทยออกได้ไหมเทพมากมายขนาดเนี้ยแล้วเข้าเกี่ยวว่างกันทําไมประเทศไทยเข้าสู่กะลียุกนะทุกวันนี้คำถามขาองอาจารมาก็คือเทพมากมายแต่ทําไมไทยไม่เคยพ้นไม่เกิดเห็นไหมตากล า, า, างง่ายๆแค่เนี้มันมันมันขัดแย้งกันยังไงไม่รู้นะ มีเทพมากมายแต่เมืองไทยเต็มไปด้วยวิเศษครั้งหนึ่งแตมาภาพนั่งดูรายการโทรทัศน์ผู้ใหญ่คนหนึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณไม่ต้องห่วงประเทศไทยในจวิบัติยังไงเราก็ต้องรอดได้เพราะเมืองไทยมีเทวดารักษาพอคิดว่าเทวดาจะช่วยรักษาเราก็เลยไม่ต้องทําอะไรก็ตกไปสู่ลทัทธิงอมืองอเท้าและยอมจำนนเช่นเดียวกันกันกบลัทธิที่หนึ่งต่อมาก็ลัทธิที่สาม ลทัทธิอปัจจยะเหตุตวา่าแปลว่าลทัทธิไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแปลง่ายๆก็คือลทัทธิบังเอิญอะไรจะเกิดมันก็เกิดนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฝนจะตกมันก็ตกนะขับรถออกจากหน้าสถยนไปชนคมว้าแยแงจึงเลยนะก็ เ, เห็นดาราคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ขับรถลงคลองรอดมาเบาหเดชาบุญวันนี้มีหลวงปู่ทวดเราดูยี่ห้อรถเป็นรถเบน ของเขาทำวันนี้ดีไม่ชมไปชมหลวงปู่นี่คือลทัทธิอปิญ ญ, ญเหตุวิวมันจะปิด ก, กัน้นกระบวนการใช้ปัญญาเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตเราจะหยิบอะไรก็ได้ข้างๆตัวเรามาธิบาได้ทั้งนั้นเช่นวันนี้วันดีนะวันที่เก้าเดือนเก้าปีศูนย์เก้าดีจริงๆพราะถัดมาอีกวันหนึ่งพอมันแยกก็บอกว่าวันนี้มั น, มนเลยเก้ามาแล้วมันเป็นวันที่สิบเป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นลทัทธิอปิญญาเหตุวิวัฒก็คือลัทธิเท่ ไม่มีเหตุไม่มีผลจะยิบอะไรในโลกนี้มาที่บายอะไรก็ได้ทั้งนั้นเช่นประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตโอ้มาดูแล้วเนี่ยดวงนายกกับดวงกรุงเทพมหานครมันทับกัน น, น <Okay. S 1> ละลักษณะมันไม่ตรงกันก็อธิบายได้แบบมั่วๆอันนี้ก็น่าตกใจแล้วนะที่น่าตกใจยิ่งกว่าไปกว่านั้นก็คือคนไทยดันเชื่อนะเราเชื่อก็ไปได้ยังไงครึ่งค่อนประเทศฉะนั้นถ้าเร า, <ม>าฟังสามรัที่นี้แล้วแยกออกให้ชัดนะผู้<ห>เลยลัที่ที่เหลือคือ คือพุทธศาสนาหนึ่งและที่กรรมเก่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่พุทธเราเอามาเทียบในสังคมไทยสิหลักกรรมที่เราพูดกันทุกวันนี้เน้นกรรมเก่าใช่ไหมเน้นกรรมเก่านะสองและที่เทพเจ้าบันดาลท่านก็บอกว่าไม่ใช่พุทธทักวนี้เมืองไทยเต็มไปได้วยเทพเรารู้รูอย่างว่าเราเป็นอะไรลทัทธิบังบงเอิญอธิบายอะไรแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่สมเหตุสมผลเต็มประเทศไทยเรารู้รู้อย่างว่าเราอยู่ใน ทานคิดแบบไหนฉะนั้นพอเราแยกเอาหลักคิดหรือลัทธินิยมที่ไม่ใช่พุทธศาสนาสามลัทธินี้ออกมาวางที่เหลือเราเห็นพระพุทธศาสนาชัดเจนฉะนั้นถ้ากล่าวอย่างตรงไปตรงมานี้หลักกรรมตามแนวพุทธไม่ใช่กรรมเก่าและไม่ใช่กรรมใหม่ล้วนหลักกรรมตามแนวพุทธเป็นหลักกรรมที่ให้ความสาคัญทั้งกรรมเก่ากรรมปัจจุบันและกรรมที่จะเกิดในอนาคต หลักกรรมในพระพุทธศาสนากินเวลาทั้งสามการคืออดีตการปัจจุบันาการแล้วก็อนาคตการชีวิตของเรานั้นเป็นไปในการทั้งสามนี้ี่ถ้าแยกแยะอย่างนี้ชัดเจนแล้วที่เหลือเนี่ยเราทำความเข้าใจเรื่องกรรมงพุทธได้สบายแล้วค่ะโอ้พระอาจารย์ช่วยขยายผลต่อยิ่งกระจ่างเลยนะคะแต่ฟังไปก็เริ่มสงสัยนะคะเอ๊ ถ้าสามแบบไม่ใช่พุทธนะคะทั้งลัทธิที่ว่าในเรื่องกรรมเก่านะคะว่าในเรื่องของอความบังเอิญแล้วก็เทพเทพเจ้าบรรดานเนี่ยทั้งสามแบบเนี่ยอยู่ในจิตสานึกของคนไทยนะคะทั้งทั้งที่คนไทยที่มีจิตสานึกเช่นนั้นนับถือศาสนาอะไรค ะ, ะคุณแม่คะ ทำไมเราชอบแบบฟุบๆบบังเอิญหรือเจ้าประคุณหรือว่าเอาทำเอาไว้แล้วอะค่ะก็ต้องยอมชดใช้ทําไมเป็นอย่างนั้นนะคะที่จริงคําว่าบังเอิญไม่เป็นพุทธศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดแล้วแล้วยิ่งได้ฟังอา่าจารย์คริดได้สาธยายแรกเลยเนี่ยหมดสงสัยเลยนะคะ มันมีสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเพราะมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดมันไม่มีอะไรบังเอิญแล้วก็ใครที่มีปัจจุบันขณะที่รู้ทันการกระทบอย่างไม่เพอไม่เพินเนี่ยก็จะรู้ว่าอิสรภาพในกฎแห่งกรรมมีอยู่เวลาที่เราพูดว่าเราทาดีแล้วไม่ค่อยได้ดีมันฟังดูแล้ว มันเหมือนทําให้เราก้มหน้าก้มตารับกรรมยังไงไม่รู้มันห่อเห e ี่ยวมากค่ะถ้าเราวัดว่าความดีกับของดีคนละเรื่องนะถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะรู้ว่าทําดีก็ดีนะไม่ใช่ทําดีได้ของดีใช่ไหมคุณแม่คะไม่มีใครบอกว่าใช่เลยสักคนเดียวค่ะ กำลังงงอยู่เนี่ยค่ะทําดีแล้วทำไมไม่ได้ของดีคะเพราะว่าทําดีก็ดีไงแต่ใครที่คิดว่าทําดีแล้วจะได้ของดีเนี่ยแม้ว่างมงายนะอาทําดีได้แค่ดีเฉยถ้าอยากได้ของดีต้องทําของใช่ไหมคะจะได้ของดีมีอยู่วันหนึ่งได้คุยกับท่านอาจารย์บอบอกว่าโหคุณแม่เรามาพูดเรื่องกฎของกฎแห่งกรรมกันเถอะนะมันมัน คือเอาเป็นว่าเราสามคนรวมตัวกันแล้วล่ะตอนนี้คือคือแบบเราคงไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมแบบชนิดที่เผชิญกรรมหรือรเผชิญกฎแห่งกรรมอย่างไม่รู้เรื่องคือแม่มองว่าอย่างนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยเราคงต้องสนใจคําสอนของพระบรมศาสด า, าสมมาสัมพุทธเจ้าที่ลงสู่การปฏิบตัติคนที่ปฏิบตัต แล้วมั่นใจอยู่ในการทำดีแล้วเห็นว่าเมื่อทำดีมันมีผลคือดีเนี่ยมันจะไม่มาพูดเหมือนกับเสียอกเสียใจเศร้าอกเศร้าใจว่าเฮ้ยทำไมเราทำดีแล้วมันไม่ได้ดีเพราะเราไปเชื่อว่าการทำดีของเรามันต้องได้ของดีถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่งมงายเกินไปนะคะเราควรจะลืมตาแล้วตื่นขึ้นแล้วก็ลองสังเกต อย่างมีสติอีกครั้งหนึ่งเราจะหยุดรับที่ความเชื่อที่งมงายได้เราเปลี่ยนไมโครโฟนบ่อยๆเราก็ไม่โทษกดแห่งกรรมในอดีตแต่อาจจะบอกว่าขอให้แบ็กสเตจช่วยเตรียมฐานให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้การถ่ายทอดคราวนี้มีกรรมดีร่วมกันในกรณีที่เราพูดถึงเรื่อง ของดีหรือเราให้ความนิยมกับคุณค่าของวัตถุนิยมเนี่ยมันทําให้เราเพียนนะคือลองมองไปก่อนว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับชีวิตในแง่างามอะไรในการทําความดีในความพยายามที่จะทําสิ่งดีๆหรือเรากําลังขนขวายแสวงหาผลประโยชน์ที่จะทําให้เราได้ของดี คือนี่เราต้องชัดก่อนแล้วล่ะเนี่ยเราต้องเช็คแล้วล่ะให้เราจะพูดเรื่องกรรมดีหรือทําให้คนมาเชื่อในกฎแห่งกรรมมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะบางคงต้องทําให้เรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วตามชื่อเลยก็คือรู้ให้แจ้งเห็นให้จริงแล้วว่ากฎของกรรมเนี่ยเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ทําหรือว่าเพียรพยายามที่จะลงมือทํามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ย ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างคนที่อาศัยการได้โอกาสและทำสิ่งนี้อย่างมีฉันทาคือมีความรักและความพอใจหมดความสงสัยว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วจะได้ดีไหมแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราทําอย่างไรเราได้อย่างนั้นใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราขนขวายโดยมีฉันทาคือความพอใจมีความรักมีความเพียรในการที่จะทําปัจจุบั น, นกรรมของเราให้มันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธ สิ่งที่เป็นอดีตไม่ได้แต่เราตั้งรับอดีตได้ที่ปัจจุบันเราจะเป็นคนที่ไม่งอมืองอเท้าก้มหน้ารับกรรมยังไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะลุกขึ้นมาขนขวายไม่ว่าอดีตเราจะเคยทำอะไรมาก็ตามแต่ความสาคัญมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้เราได้ลุกขึ้นมามีความเพียรชอบแลหรือยังที่จะทำปัจจุบั น, น ก, กรรมเพื่ออนาคตเราไม่ต้องแก้ตัวอีก คือตรงนี้เป็นความสำคัญเราต้องรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ที่จะทำให้เราขนขวายขึ้นมาแล้วไม่โทษนูน่นโทษนี่โทษนั่นเหมือนอย่างเมื่อกี้ไมโครโฟนเนี่ยถ้าแม่เป็นคนที่มีอคติแลวเพ่งโทษแม่ก็จะโทษไปที่คนที่มีหน้าที่จะโทษไปที่กดแห่งกรรมในอดีต แม่แม่จะสาธยายเรื่องนี้ซะหน่อยดูช่างมีกรรมในอดีตมาขัดขวางและเกินนะเจ้าคะท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมเจ้าคะเนี่ยอาจารย์บอกเส้นหน่อยไหมไหมโครโฟนมีเจ้าค่ะรู้สึกกระดังแล้วด้วยนะคะคือแบบมันเป็นเรื่องที่มันมันต้องแยกแยะอารมุตตั้งชื่อเนี้ยแม่ใช้คำสองคาเด่นๆค่ะรู้กับเห็นอืม ไปดูโปสเตอร์นะมันมีคำว่ารู้กับคำว่าเห็นรู้เช่นเห็นชาติกับรู้แจ้งเห็นจริงค่ะเวลาที่เราพูดเรื่องคำว่ารู้เช่นเห็นชาติหลายคนบอกวูามันหยาบคายใช้ไม่ได้กับเสถียรธรรมสถานเพอาะเดิดูนุ่ง น, นวลแม่ก็เช็ค up ไปทางนี้เลยว่าถ้าอาจารย์าใช้ได้ไหมคะเราจะรู้ว่ามันเป็นอย่างชนิดที่เราต้องกระทุ้งให้มันนะ เห็นเลยว่าชาติการเกิดแห่ง uh. ท you know, <uned> ุกข right ์ไม่มีอีกเนี่ยมันต้องรู้แจ่งเห็นชาติประมาณไหนมันถึงจะเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงอ่ะมันเป็นภาษาร้อนเรียนเลยนะคะแต่มันเป็นคําที่อยากจะให้เราสะดุ้งตื่นเราต้องสะดุ้งตื่นในเรื่องเหล่านี้แล้วอย่าก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเลยแม่สงสารแล้วก็ลองตั้งใจให้ดีเถอะว่าแบบใดก็ตามที่เรายังมี ชั้นทะ ค, คือคือมีความรักมีความพอใจที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ขนขวายไม่ว่าอดีตคุณจะทำกรรมอะไรมานะคะแต่ปัจจุบันกรรมเนี่ยค่ะจะพาให้คุณรอดค่ะสรุปว่าคุณแม่ก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหรือว่าฟันธงค่ะว่ากรรมเนี่ยนะคะมีทั้งกรรมในอดีตที่ส่งผลมาแล้วก็กรรมในปัจจุบันที่เราทำแล้วก็จะส่งผลต่อไปอนาคตนะคะ ฟังคอนเซปต์ซึ่งเป็นแนวความคิดแบบพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางของพุทธศาสนาแล้วอกับถามพระอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วคุณแม่เลยค่ะช่วยให้คําแนะนําที่หลากหลายให้ครบทุกมุมสําหรับเราแก้กรรมได้จริงไหมคะวิธีที่เขาทําเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแล้วถ้ามันยังติดอยู่ในใจเนี่ยต้องทําอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คึกฤทธิ์เจ้าค่ะเชิญก่อนเจ้าค่ะท่านเชิดเหงื่อเลยหรือคะ วิธีง่ายๆโยนทิ้งโยนทิ้งนะละนันทิคือความเพลินนะมีความทุกข์ขณะนั้นเหรอดับเร็วที่สุดเนี่ยโยนทิ้งเลยนะพระเจ้าสอนการละนันทิคือความเปลินง่ายที่สุดนันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นแปลงนันทีจึงมีความสิ้นแปลงราคะราคะกานันทิกโยเพราะความสิ้นแปลงราคะคือความสิ้นแปลงนันทีนันทีราคะกยาจิตตังสุวิมุตตันติวิจติ เพราะความเสิ้นไปแห่งนันทิและราคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแค่ละนันทิละความเปลินความพอใจจิตหลุดพ้นเลยเอาไปละในอะไรบ้างในอารมณ์ทุกอย่างเกิดทุกมาใช่ไหมโยนทิง้งเหตุผลของการละนันทิคือการดับการเกิดนั่นเองจิตไปสร้างการเกิดใช่ไหมทิ้งการเกิดจิตสร้างการเกิดคือจิตสร้างลายจิตสร้างกรรมเมื่อกี้ที่บอกไงวิญญาณหรือจิตเนี่ยเข้าไปสร้างการเกิดคือไปมีผัสสะในรูปนามนี่มันไปก่อเวทนาแล้วไง พระอาจารย์เจ้าขาเมืเ<ล>่อก<ล>ี้คุณผู้ชายเขาบอกว่าเขาเหมือนกับพูดแล้วพูดอีกนึกถึงมันเป็นพันครั้งก็หมายเขาว่าสร้างการเกิดเป็นพันครั้งนั่นแหละนั่นแหละเป็นนึกเองอย่าเป็นนึก้โยนทิ้งไปเลยมันไปกังวลเองนะเรามีความกังวลอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอากุศลนวิตกเกิดขึ้นเนี่ยให้เธอถ่ายถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอาคุณสนวิตกนั้นสัมมาสังกัปปะนี่ไม่รู้จักมรรควิธีมรรคมีองแปดเห็นไหม ถ้ารู้จากวิธีแก้กรรมกรรมหมดไปแล้วสบายๆโอ้โหงั้นท่านขาเอาเฉพาะให้กระจ่าง uh huh. เทสเมกี้เนี่ยคะ่ะฮ uh huh. ทําอย่างไรเจ้าคะทําอย่างไรโยนทิ้งจเจริญสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะทําอย่างไรผู้เจ้าบอกว่าให้เธอถ่ายถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอะไรอกุศลมิตกเปรียบเทียบขนาดไหนถ้ามีไฟลุกไหมอยู่ที่เสื้อผ้าของเธอเนี่ยถ้าไฟลุกไหมเสื้อผ้าทําอะไรอยู่ตอนนี้นะ ใช้ความเพียนความพยายามทุกอย่างที่จะดับไฟใช่ไหมคงนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ไม่ได้หรือไฟไหม้ที่ผมบนศีรษะของเธอผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเธอต้องใช้ความเพียน ค, ความพยายามทุกวิธีทางที่จะดับอกุศลนั้นลงให้ได้นี่ไงร ะ, ะดับด้วยอะไรล่ะสติไงการระลึกได้การลกความเพลินก็คือการมีสติมีสติแปลว่าอะไรการระลึกได้ระลึกได้ที่ไหนเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนผู้เจ้าบอกตั้งไว้ที่กายคตาสติตั้งไว้ที่กา ย, ย จบแล้วหมูหมูหมนะ ม, นมันง่ายอย่างนี้อาจารย์บอกหมูหมูนะโอ้ท่านขาเขานี่อยู่กับเรื่องนี้มาสิบยี่สิบปีนะค ะ, ะท่านบอนหมูหมูมนไปสิกบ้านเลยหรอคะโอใ้ใช่ใไม่ต้องไปเส้นบ้านไม่เปืองเงินเปลืองท <c oughs> อ, องประโยชน์สูงประหยัดสุดนะไม่เปืองอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆนะนั่งรู้ลมหายใจเขาออกสบายๆนะผูช้ชาบอกเลยผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรม ใครเบื่อกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่ากําลังเบื่ออมะตะธรรมกายคตาสติใช่ลมหายใจเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายคือเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายลมก็ได้การเคลื่อนไหวรีบดก็ได้การทํางานในปัจจุบันก็ได้ออืใช้กายคตาสติฮะ uh huh. แก้กรรมเมื่อกี้นี้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเจ้าคใช่แล้ว <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ไม่เสียเงือสักหยดไม่เปลืองตังสักบาทนะอ่าดีไหมกราบนรรมสการขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ ฟังดูแล้วดีดีแต่ด้วยความเคารพนะคะอาจารย์เจ้าค่ะทําไม่ได้ค่ะทําไม่ได้เจ้าค่ะจะให้มาทําได้เดี๋ยวบัตรดนมันเจิมากไปนิดนึงไอเรื่องได้ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้นี่มันไม่ใช่ปัญหาะนะ <ๆ S 2> อ่ามันมันต้องรู้ก่อนว่าอะไรจริงไม่จริงอใช่มไหมถ้ารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วค่อยไปปาราลบความเพียนตรงนั้นใช่ไหมถ้าไปปาราลบความเพียนในสิ่งที่ไม่จริงอะทํำยังไงอ่ะมันก็ไปไปเพียนผิดน่ะพระเจ้าบอกว่า เธอเอาไม้สดมาสีกันเนี่ยหวังจะให้ได้ไฟะ่ะสีไปทั้งชาติไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเป็นไม้สดแต่ถ้าโยมหยิบไม้แห้งมาสีกันแั๊บเดียวไฟก็เกิดมันปลาลบความเพี้ยนผิดนี่ไอ้นี่เพี้ยนไม้เพี้ยนสีนั่งสีทั้งวันเลยไม่ได้ไฟเพราะมันดันหยิบไม้สดมาสีมันโง่ อ, อะ่ะช่วยไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ก็เหมือนองคุริมาลองคุริมาลฉลาดเน่ะหยิบมัสมีองแปดมาปฏิบัติห้าคนมาเก้าร้อยคนจบฟินิช ว้าว <Wow>. very good โอเคมากน้อง่าง่ายเจ้าค่ะท่านหมอเจ้าค่ะช่วยหน่อยเจ้าค่ะช่วยหน่อ ย, ย, อยคือฟังดูดีดีแต่มันไม่เชื่อว่าจะทำได้หรือว่ามันยังไม่เคยทำหรือแต่ทำมันต้องเริ่มต้นแบบไหนเพราะคนมันคุ้นเคยกับการจมอยู่กับเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ครึกริบท่านแบบเปิดกระโหลกซะจนงงนะคะเรื่องแบบนี้ไม่เคยคิดว่ามันจะประโยชน์สูงประหยัดสุดเจ้า่ะทายังไงเจ้าคะ คือผู้ชายเมอร์เก้เนี่ยทำให้ตามาล น, นึกนึกถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ได้อ่านในหนังสือที่อดีตทหารในบริการได้ได้มารบในสงครามเวียดนามและพอกลับไปปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกกดแห่งกรรมตามเล่นงาน mm hmm. เขาบอกว่าพมุสากลับจากเวียดนามไปอยู่บริกาละออกจากการเป็นทหารกดแหงก ร, รมก็ยังตามเจอ สุดยอดจริงๆนะคือไม่เป็นทหารแล้วลาออกแล้ววางมือแล้วสงครามจบแล้วแต่สงครามในใจไม่จบทุกเพราะทุกคืนทุกคืนทุกคื น, คนเขาหลับไม่ลงจกกนกระทั่งวันต้องไปหานักจิตวิทยาให้ยามาแล้วก็บําบัดทั่วเท็จเขาจะต้องไปรายงานผลการบําบัดบำบัดมากขึ้นมากขึ้ น, นจกกนกระทั่งกระเพาะทะลุเพราะเขากินยาเยอะแล้วก็ผมเรื้องแล้วเขาก็อ้วนเพะเลย จากที่เคยเป็นนายทหารที่แข็งแรง่งมีชีวิตจมอยู่ในความทุกข์ตรมข่มไมคืนแล้วคืนเล่าวันแล้ววันเล่าเขาเขียนเล่าไว้ว่าตอนที่อยู่ในสงครามเวียดนามเขาเป็นแนวหน้าของหน่วยเจรยุทธ์กลางวันเขาอยู่ในรูตางคืนหัวค่ําปุ๊บเขาก็จะพรางตัวพร้อมเม็ดในเมือหนึ่งเล่มลอบก็ไปในหมู่บ้านโผลก็ไปบ้านหลังไหนก็ได้ที่เป็นชาวเวียดนาม แล้วเชือดให้เงียบที่สุดนะกระโดดเข้าไปผมและกำลังอยู่ด้วยกันเขาจับเชือดที่คอเขาบอกว่าผมจําได้แม้กระทั่งเสียงที่มีดเชือดผ่านเนืเชือลิ่มเลือดที่ทะลักพวก อ, ออกมาท่านคะเหมือนนิยายเลยเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาจําได้ทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็หายไปกลงวันเขาก็หลับกลางคืนเขาก็ตื่นขึ้นมาทําอย่างนี้ วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า แ, แล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำมากเขาบอกว่าทุกครั้งที่คมมีดมันกรีดผ่านเนื้อนะแล้วก็เสียงเสียงผู้ที่ถูกเชือดคอเนี่ยยิ่งไม่มีเสียงดังเลยคือไม่ทันได้ร้องเลยเขาจะมีความสุขที่สุดเลยอะ่ะประสบความสำเร็จในหน้าที่เจ้าค่ะถ้าเชือดแล้วโอ้ยใช้ไม่ได้ต้องปรับเปลือง <นะ S 2> ต้องปรับรุงอย่างยิ่ง <นะ S 2> ถ้าเดินเข้าไปแล้วจับ เรียบร้อยเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาจะกลับไปรินไวน์ดื่มอย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นสงครามสงบแล้วเขากลับไปเขาถูกโรคจิตคุกคามนอนไม่หลับเป็นโรคซึมเศร้ามีลูกมีเมียแต่เขาไม่เคยมีความสุขเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในสงครามคนเดียวทุกคืนทุกคืนทุกคืนจิตเตอร์สำนึกหรือพระบรจิตทําหน้าที่ฉายซ้ําเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมดให้เขาดูเหมือนรีเพลใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า เขาก็คิดว่าเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่เขาจะต้องรับอยู่คนเดียวจกนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสจะพัดจะผูกมาเรียนวิทยาศาสตรการมืฐานพระอาจารย์ก็เลยบอกเขาไปว่าคุณรู้ไหมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงคุณจากเวียดนามมากว่ายี่สิบปีแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยรู้ไหมอเมริกากับเวียดนามเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรทีด่ดีต่อกันมากเบลเกตก็ไปลงทุนในเวียดนามนะ นักการเมืองของของอเมริกาก็มาเยี่ยมเยียนประเทศเวียดนามในฐานะเป็นประเทศหน้าลงทุนของเอเชียในย่านนี้ด้วยสงครามมันจบแล้วแล้วคุณมาทุกข์อยู่ทําไมแกก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้ไหมคนที่ตายก็ตายไปแล้วคนที่เคยเป็นทาหารอยู่ในสงครามเวียดนามบัดนี้ก็เลิอกอาชีพนั้นแล้วแต่ทําไมสงครามในใจคุณยังไม่จบเพราะคุณตกอยู่ในอตีตารมอารมณ์ที่มีอดีต เป็นเครื่องยึดแนวฉะนั้นเครื่องมือของกฎแห่งกรรมก็คืออดีตผู้ชายคนเมื่อกี้ทําแท้งไปแล้วและก็จบไปแล้วตั้งนานแต่ทําไมยั ง, ท, งทุกอยู่ผู้ชายคนเมื่อกี้ไม่ได้ทําค่ะสมมาาแสดงเขาทํเจ้าค่ะแสดง ว, <laughs> ว่ามี อ, อดีตทหารผ่าสศึกคนนี้ก็ชัดเด่นเขาไปคิดถึงกรรมเก่าหรือกระบวนการแหงจิตมันทํางานราบรื่อนมากมันเสมยทุกขเวทนาเป็นทุกแต่เป็นทุกขเวทนาที่ลึกๆมันมีความสุขปอนอยู่ในนั้น เหมือนเราเคี้ยวข้าวเหนียวเคี้ยวข้าวเหนียวเปล่ๆลึกๆจะมีน้ําตาลปนออกมาเห็นไหมมันมีมันมีความหวานปนอยู่เลยนั้นในทุกขเวทนาที่เขาผลิตซ้ําให้กับตัวเองนั้นลึกๆแล้วมันมีความสุขถ้าไม่สุขจิตมันจะไม่ทําซ้ำํำฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเวลาพูดถึงสุขเนี่ยท่าจะให้ราคาน้อยมากทั้นพูดถึงแต่ทุกเพราะในทุกก็มีสุขอยู่แล้วในสุขก็มีทุกอยู่แล้วเขาจมอยู่กับอดีตเพราะท่านก็เลยบอกว่าแค่คุดออกจากอาดีตนะ มาเจเริญสติที่เรียกว่าสัมมาสติอดีตเขาไม่ถึงคุณเจ้าทุกข์มาจากไหน<ม>เขาก็เลยลองฝึกเดินจงกรมวันหนึ่งฝึกเดินจงกรมกำลังเดินอยู่ดีๆเขาเอามือไล่หลังทีนี้มือก็เมื่อยมากมือก็หลุดออกจากกันเพื่อจิตเขาก็หลุดจากอดีตเพื่อเลยตอนนี้อดีตทหารปฏิ ส, สิทธิ์คนนั้นเขียนหนังสือกาลังขายดีอยู่ในอเมริกาเขาเขียนว่าสงครามจบแล้ว เพราะเขาได้ค้นพบสัมมาสติคือการระลึกหรือระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะเห็นไหมวิธีตัดกรรมก็ตัดแค่นี้เองพระอาจารย์ท่านบอกว่ากายาขตาสติพระอาจารย์ใช้อีกคำหนึ่งนะสัมมาสติก็แค่เปลี่ยนแพ็กเกจจิง้งเนื้อในอันเดียวกันคือตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะอดีตก็ไม่ถึงอนาคตเขาไม่ถึงเรามีแต่ปัจจุบันพอเรามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นกรรมที่ทำเมื่อปีที่แล้ตามมาไหมไม่ตามความกังวลในอนาคตตามมาไหม ไม่ตามเราอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกขณะจิตเด็กพวกเรานี้เคยอยู่กับปัจจุบันไหมอาพระอาจารย์ถามหนะ่อยชอบอาหารไทยไหมเกลือเนี่ยสำคัญไหมอาหารไทยเกลือเนี่เค็มไหมพู้ได้ไงว่าเค็มชิมเนี่ยเคยชิมเนี่ยมันชิมในอดีตหรือชิมปัจจุบันเอาอาดีตมาตอบใช่ไหมอยู่ในอดีตทุกคนท <laughs> ี่เราอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเห็นไหม ฉะนั้นคนส่วนใหญ่เพื่อนอย่างนี้อยู่กับประสบการณ์เก่าๆทั้งนั้นแล้วก็หยิบเอาประสบการณ์เก่าๆมาทําร้ายตัวเองเราจึงมีความทุกข์เพราะกรรมเก่าฉะนั้นกรรมเก่าจึงใช้อารมณ์อดีตเรื่องตีตารม์เป็นเครื่องมือในการเล่นงานเราอยากจะล้างกรรมเก่าอยากจะตัดกรรมเก่าก็ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้การฝึกเจริญสติที่เรียกว่าสัมมาสติแค่นั้นเองก็เป็นอันตัด ก, กรรม hmm. ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแม้แต่แดงเดียวนะ ต้องลงใช้ต้นทุนต่ำที่สุดเลยเพราะอะไรใช้มะ ต, ต้อเดิมไหมคะ <c oughs> ประโยชน์สูงประหยัดสุดเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ประโยชน์สูงประหยัดสุดไงพูดง่า พ, งพูดได้เองหน่อว่าการตัดกรรมต้นทุนต่ำมากคือใช้กายกับใจของเราเท่านั้นเป็นเครื่องมือไม่ต้องไปหาเมตหมอที่ไหนหนะไม่ต้องเสียค่ า, ายกครูไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิน้นแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะตระหนักรู้ทุกเรื่องที่คิด ทุกคิจที่ทําทุกคําที่พูดและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนี่คือคีย์เวิร์ดจําไปใช้ได้เลย mm hmm. เอาแค่นี้ไปใช้คุณก็ตัดกรรมได้เรียเพราะแล้วเราจะเป็นคนใหม่อยู่ทุกขณะจิตเมื่อเราเป็นคนใหม่อยู่ทุกขณะจิตกรรมเก่าจะเข้ามาเล่นงานได้ยังไงกรรมใหม่จะมาจากที่ไหนเราก็กลายเป็นคนของที่นี่และเดี๋ยวนี้ ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเราทุกคนจะกลายเป็นคนไม่มีอนาคตโดยทั่วไปเจ้าขากมีแต่ปัจจุบันต้องฝึกที่จะเป็นคนไม่มีอนาคตอืให้มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเราถึงจะหลุดกรรมเนี่ยคือตัดกรรมตําแนวพุทธเจ้าขาต้องฝึกที่จะไม่มีอนาคตด้วยการฝึกไม่มีอดีตด้วยใช่ไหมคะแต่คุณแม่คะเมื่อกี้นี้พระอาจารย์คริสต์ท่านพูดพูดคำหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะคะแล้ว ท่านว่าท่านก็ขยายต่อว่าในความทุกเวลาเข้าไประเลงมันเนี่ยมันหนำหนำอยู่ตึ๊บตึ๊บต๊เพราะว่ามันมีสุกอยู่ข้างในใช่ไหมคะและไอ้ตึ๊บตึ๊บต๊เดี่ยมันก็คือความเพลินหรือว่านันทีนั่นเองใช่ไหมคะพระอาจารย์คะทีนี้เราอยู่กับมันใช่ไหมคะท่านแต่มิยามพี่เจ้าเรียกราคานุสัยราคานุใสอ๋อเจียวค่ะทีนี้เราอยู่กับมันจนแบบว่าสมองเมมโมรี่ไว้เคยชินแล้วอยู่ดีๆจะให้ตัดพัวะยาก มันต้องค่อยๆฝึกอะคะ่ะทีนี้วิธีการที่จะฝึกจนแบบทะลุจนทะลวงออกมาเนี่ยคุณแม่แนะนําหน่อยคะ่ะคืออยาโม่แต่ไปตีอกชกตัวกอดรัดอยู่กับสิ่งที่มันจบไปแล้วเลยที่จริงเมื่อกี้เนี่ยได้เห็นรีลาของการแสดงทางของท่าอาจารย์คริสิ์แล้วคุณแม่ว่าเออคุณแม่มองท่าอาจารย์ผิดไปตอนแรกนึกว่าท่าอาจารย์จะขึ่ม <laughs> โอ้เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ซื้อเลยนะแอ๊กเนี่ยโอ้พยายามทำมากเลยที่จะทำให้เกิดแอ๊กในวันนี้ให้มันตื่นให้ได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้แท้าาจา์ค่ะทิ้งค่ะมันจบแล้วอะค่ะเมื่อกี้นี้เราต้องกลับมาที่ Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดาอาจา์ใช้คำว่าอะไรนะคะอะไรนะฮะประหยัดสุด ประโยชน์สูงประหยัดสุดถ้าโยมจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะประโยชน์สูงประเสริฐสุดเลยค่ะโอโ้สุดยอดโอโเคไหมคะ<อ>คุณแม่นะท่านนิันก็อย่างนี้เหรอค ะ, ะวางแผนไว้ว่าเนี่ยผู้เร่งกรรมเขาเนี่ยต้องให้ตื่นให้ได้แลว้วพอเห็นท่านอาจารย์แสดงทั้งสองท่านอย่างนี้โยมมีปิติเลยเห็นเลยว่าคนฟังก็ตื่น จริงๆเราเนี่ยไปตีอกชกตัวทำจริงๆหนเดียวอ่ะคิดว่าถูกทำรือคิดว่าลงไปทำเนี่ยทุกครั้งที่คิดผิดเลยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าเราจะรอดพ้นก็ต่เมื่อเราต้องอยู่บนหนทางถูกมถ้าเราหลงทางเนี่ยเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เรา มีชีวิตที่ตื่นได้หรือพ้นได้หรือรอดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องกลับมาอยู่บนหนทางเสียก่อนฉะนั้นการที่เราไปเพียรมากแล้วก็หลงลึกเพราะเพียรผิดเนี่ยต้องหยุดแล้วทบทวนก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยเวลาที่เรากําลังเศร้าหมองอยู่กับอดีต ท, ที่มันจบไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเอาอดีตมาทํำลายปัจจุบันจุกไหมคะเราอาจจะถูก ข่มขืนโดยคนอื่นเนี่ยครั้งเดียวแต่เราข่มขืนตัวเราทุกครั้งที่เราคิดผิดอันนี้เราต้องกลับมามีการณาต่อตัวเองจริงๆคือต้องตื่นขึ้นแล้วก็ต้องมีความระลึกรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะสัมผัสชีวิตของเราได้จริงเนี่ยมันต้องเฮียนาวนะมันไม่ใช่ใช้ความจำในอดีตมาสัมผัสชีวิตจริงในปัจจุบนันเหมือนเกลือนเนี่ย ถ้าเราจะเค็มมันก็ต้องใช้ปัจจุบันขณะไม่ได้ใช้ความเชื่อว่าเกลือเค็มถูกไหมคะเราถึงจะริมรสกับมันจริงทีนี้กลับขอเรียนถามอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตแม้มันจะจบลงไปแล้วแต่มันก็มีวิบากกรรมของมันอยู่นี่คะเช่นเราฆ่าสิ่งมีชีวิต่ะเราจะ ไปทำแท้งจะได้เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ได้ฆ่าชีวิตก็ผิดศีลข้อหนึ่งมันก็ต้องมีผลแห่งการกระทํานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมคะท่านเจ้าค่ะถามได้ไหมเสริมเจ้าค่ะ <laughs> ถ้าแก้ตรงนี้เนี่ย <c oughs> คือพระเจ้าบอกว่ากายนี้เนี่ยเป็นกรรมเก่าไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่จะรับต่อนะเช่นพระเจ้าบอกว่าวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทําปาณาติบาตคือเป็นไปเพื่ออายุสัน้นนะ อันนี้ก็อย่างหนึง่งวิบากอย่างเบาของผู้กระทำอตินนาทานย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคาหรือวิบากอย่างเบาของผู้ที่ทํากาเมสุมิชาจารย่อมเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูนะอย่างองค์ุลิมานตัวนี้ก็ไม่พน้นตัวนี้ถูกขินคว้างปาเนี่ยตลอดเวลาหรือพระโมคคัลลานะนะนะก้อนกายท่านก็ไม่พน้นถูกจนทุบตีตายแต่ท่านหลุดพ้นที่จิตของท่านนะจิตท่านหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า นะอันนั้นแหละที่ผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยถอนความยึดมั่นจากอุปทานสว่สวนส่วนตัวขันหา้ารูกมันจะเป็นอย่างไรอะไรมันจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันปล่อยไปเ<ม>พราะนี่ไม่ใช่ตัวเราของเรานะแบบผู้เจ้าถามสาวกเธอเห็นเลกวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดร้อนร้าวเหมือนถูกลากถูกไฟเผาไม้ไม่เพราะอะไรนั่นไม่ใช่ของเรากิ่งไม้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่กิ่งไม้ เนตังมะมะเนโซมาส ม, สมิน้าไมสวตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้นะแล้วก็อยากเสริมของท่านอาจารย์วอนิดหนึ่งในเรื่องของ <c oughs> การ <c oughs> ที่คิดว่ากรรมเกิดจากผู้นั้นผู้นี้บันดาลอย่างเนี้ยนะผู้เจ้าบอกว่าถ้ากรรมเนี่ยเกิดจากพระเจ้าบันดาลถ้าเวลาท่านไปฆ่าสัตว์ก็แสดงว่าพระเจ้าท่านไม่ดีนะ่ะเพราะพระเจ้าสั่งให้ท่านฆ่าสัตว์ ใชมไหมอ่าแล้วถ้าท่านไปทําอธินาทานการเมสุวิชชาจารย์ก็แสดงว่าพระเจ้าสั่งท่านไปสิใช่ไหมนี่พระเจ้าจัดไว้เมื่อสองพันร้อยกว่าปีเป็นการแก้ลัทธิพวกนี้ความเห็นผิดพวกนี้เห็นไหมมันอยู่เรานะ่ยทาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราตรงนี้แก้ได้แต่ความเห็นว่าเราก็ยังผิดอีกนะในธรรมะชั้นลึกในธรรมะทั่วๆไปพื้นฐานแบบที่ท่านอาจารย์รอท่านว่าเป็นด้านศีลธรรมนะเป็นสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้น นะกมดีกรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีระดับนี้เราก็พูดเรื่องตัวตนว่าเรามีอะไรมีและแก่ที่เราแต่ถ้าธรรมะที่เป็นโลกุตละแล้วกรมเกิดจากเหตุปัจใจ ค, คือตัวสายปฏิจจสุบาตที่พวกเราท่องกันอยู่เป็นประจำที่เป็นลักษณะโลกุตละที่เป็นธรรมช้นลึกนะในเรื่องเนี้ยในครั้งพุทธการจะมนะีมีบุรุษอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ริมสาบัว นะพี่นี่มีสาบัวเยอะอยู่ <laughs> ใครไป น, นั่งบ้างก็ <laughs> ได้เพื่อจะเห็นอย่างบุรุษคนนี้ <laughs> เห็นริมสาบัวจะเป็นพระเจะา้าขาะมองดูก็หลังจากนั่งอยู่ริมสาบัวแล้วเนี่ยบุรุษคนนี้ก็เห็นกองทัพช้างมารถปนเดินเนี่ยไหลเข้าไปในรากบัวเสร็จแล้ว <c oughs> คนนี้ก็เลยเย้ตกใจเราบ้าซะแล้วเนี่ยก็เลยเดินออกมาล้องตะโกนว่า ชันบ้าแล้วนะไอ้ชาวบ้านก็บอกเอ้าทําไมบ้าเราไปเห็นอะไรมามึงก็เล่าให้ฟังเออเห็นเห็นอย่างนั้นบ้าแน่นอนนะอืมไม่มีใครก็เห็นหรอกนะแต่พระเจ้าบอกว่าคราวนั้นบุรุษคนนั้นก็เห็นเรื่องจริงอยู่นะอ่าเป็นการลบระหว่างพวกเทวดากับอสูรครับแล้วก็พวกอสูรแพ้ก็ออกไปทางลากบัวเข้าไปสู่ผอบของตนแต่พระเจ้าก็บอกว่าไอ้เรื่องแปลกพิศดารในโลกที่มันมีเยอะมาก ะไม่ต้องไปสนใจเลยมันแก่เจ็บตายหมดน่ะมันจะเป็นเทวดาเป็นนซุลเป็นพรมเป็นมนุษย์นรกกาเนินเดเรศานเปรตวิสัยไอ้พวกวิญญาณที่เดินตามแก่จนตายหมดนะเดี๋ยวมนันก็ตายนะมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะผู้เชี่ยจึงบอกว่าเรื่องที่น่าสนใจเรามาแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายกันดีกว่าออื mm hmm. เพราะทั้งสังสารวัฏเนี่ยจะเป็นพรมเป็นเทวดามนุษย์นรกกำเนินเดเรศานเปรตวิสัยเดินไปสู่ความตายหมด อิทธิปาฏิหาริย์ผู้เจ้าก็ทําได้อเออในอากาทําได้หมดอาเทศนาปาฏิหาริย์การกําหนดรู้จิตผู้เจ้าก็ทําได้แต่พวกนี้ก็ตายหมดเหมือนกันนี่มันมีประโยชน์อะไรมันเป็นวิชาความรู้ทางโลกมันเป็นความแปลกประหลาดพิสดารทางโลกแล้วมันแก้อะไรแก้ตายได้ไหมแก้ไม่ได้เมื่อแก้ตายไม่ได้ผู้เจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายผู้เจ้าไม่ได้ให้ให้เรามาฝึกเห็นสวรรค์นรกมีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ เ้าทำกันได้ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วของพวกเนี้นะแต่พระพุทธเจ้ามาแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงะทำยังไงเธอจะไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกถ้าสามธรรมชาตินี้ไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่สัมมาสัมพุทธะจะต้องเกิดมาบนโลกสัมมาสัมพุทธะเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องรู้อันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาคืออริสัตตสี่นะเธอต้องรู้ทุก เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องตีกรอบในการรู้ของเราว่าสิ่งชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรเพราะชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นได้แขวนอยู่บนความไม่เที่ยงไม่เที่ยงขนาดไหนผู้เจ้าบอกว่าเธอต้องรู้สึกเหมือนกับเพชฌฆาตอย่างเนื้อดาบอยู่ตรงหน้าเธอตลอดเวลาที่จะฟันเธอให้ตายถ้าเธอประมาทหนึ่งเรียบร้อยเลยนะ มันคือความตายจะทำอันตรายเธอได้มัวไปหลงศึกษาเรื่องน้อนศึกษาเรื่องนี้แก้กรรมแบบนั้นแก้กรรมแบบนี้มาคอยสะดอข้ด อ, ดอดูเลือดวรมตายพอดีตายก่อนสรุปแล้วแก่เจ็บตายก็ยังแก้ไม่ได้สังสารบัญก็ยังเกิดแก่เจ็บตายหมุนวนไปอยู่นั่นแนะแค่เอาปัญญาเอาความเพียรมาฝึกศึกษาอริยสัจสี่โหทั้งชาตินี้จะพอได้ไหมเนี่ยใช่ไหม แค่นี้ก็ยากพอแรงอยู่แล้วยังไปมัวเฉไปศึกษาเรื่องนู้นสนใจเรื่องนี้เบนไปเรื่องนั้นเปียบร้อยพอดีตายก่อนใช่ไหมพรมเขาก็มีที่ปฏิหารทเทวดาเขาก็มีแต่ตายไหมตายตายหมดปัญหาคือตรงนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตีกรอบของความสนใจมาลงที่อเยสัสสี 4. นะตรงนี้เจ้าค่ะจะมีหรือไม่ไม่รู้นะคะไม่ยืนยันแต่อย่าเสียเวลาถามเลยเอาเรื่องที่เป็นสาระกว่านั้นดีกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะ อืมค่ะพรอาจารย์เจคาขว่างไางคะมันนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคุ้มดีคุ้มร้ายยังไงไม่รู้ <laughs> ตายตายตายตายสัง <laughs> เกตไหมว่าคนคนที่เจออะไรแปลกๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนปกตินะ <laughs> คือเขาเป็นคนพิเศษก็จะเจออะไรที่พิเศษอยู่เรื่อยต้องเป็นคนคพิเศษจริงๆอ่ะ คนปกติอย่งางอาตมานี่อยากจะเจอผีถมาอยู่ที่อาสมที่จังรายเนี่ยคนงานเขาก็มาบอกว่าคือคนงานหนึ่งเขาอยากจะตั้งศาลพระภูมิถ้ามานมนเนี่ยมาใหต้ตั้งวันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าพระอาจารย์เมื่อคืนผีเจ้าที่มามาหาโยมาตัวดำด ำ, ดำมึมถ้ามาบอกเดี๋ยวคืนนี้ฝากบอกเขาด้วยอาตมาเจ้าของที่ ให้มันเดิวกันตัวต่อตั ว, ตวอาตมาไม่กลัวก็มาใส่โคไงกําลังจะหวานเราว่าต้องเอาสารพระภูมิมาให้ได้นะถ้ามาก็ไปทําอาทิตย์ต่อมาเดินไปตรวจงานเขาสร้างกุฏิใหม่เห็นสารพระภูมิตั้งอยู่ใต้ต้นไม้อาตมาเรียกคนงานมาถามใครทําเงียบไม่มีใครตอบอ่ะไม่ตอบไม่เป็นไรแต่ว่าเอาออกบอกเขาว่าพระอาจารย์ไม่ชอบ คือคนที่กลัวอย่างเช่นจะเจอผีเจองูเจออะไรแล้วต่มาอยู่ของธรรมามาเข้าปีที่เจ็ดนะธรรมาไม่เจออะไรเลยอธิบายได้ไหมคะท่านก็กําลังจะบอกว่าคนที่เจออะไรอย่างนี้ลึกๆจะมีปมปอมอะไรก็แล้วแต่นะแต่จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในชีวิตที่ทําให้เขารู้สึกตกลงไปในหลุมของเหตุการณ์นั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีปมในเรื่องนั้นอยู่ในใจตัณด ตเกตตเกและจะหาวิธีบำบัดด้วยตัวของเขาเองคนอย่างเง่ตมาเจอมาเยอะมากครั้งล่าสุดไปเจอที่เชียงใหม่เป็นบ้านเรือนไทยตมาก็ก็แปลกอยู่นะเขามาบอกว่าบ้านหลังนั้นเปมนผีและผีมันก็ชอบมากแปลกมากมันชอบอยู่บ้านเรือนไทยพีอนุรักษ์นิยมเจ้ยคะ่ะแถวคอนโดเถวอะไรมันก็ไม่ยักมีนะมีค่ะท่านแต่มันไม่ ม, มันไม่ขลังค่ะแบบ <c oughs> เขาก็มาบอกว่าพระอาจารย์มาพักที่นี่ก็ดีแล้วอยากให้ไปหมู่บ้านโน้นอ่ะหมู่บ้านเรือนไทยแรกแรกเขามาสร้างกันเป็นหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นร้อยหลังคาเรือแล้วคนก็มาอยู่กันไม่กี่คนพอนีขา่าวเลว่ามีผีเขาย้ายออกตอนนี้เหลือสักเจ็ดคนถ้ามาก็ไปเจ้าของบ้านนี่ซึ่งโอ้รกครงรางมากเหมือนยังกับบ้านดนังหนากันนะรกหลงรางมากแต่มาก็เดินขึ้นไปกลางวันในเธอลงมาอยู่ห้องล่าง ไม่ใช้ไฟเพราะว่าไม่มีค่าไฟนะพอตะมาขึ้นไปห้องมันทึบๆถม ๆ, ๆ, ๆเหมือนห้องบักี้นะเธอก็นั่งลงต่อหน้าพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพี่คณ ะ, ะ, ะพระสารพัดพระอัมาตังเลยนะเนาะแล้วก็จุดธูปตะมาบอกยอมดับธูปได้ไหมทําไมตะมาเนี่ยหายใจไม่ออก <laughs> <laughs> แต่เขาบอกว่าดับไม่ได้ท่านกำลังมา <laughs> มาบ้าสิเนี่ย เวลาหายใจแน่นๆไม่ได้หมายความว่าท่านกําลังมาแต่ทูบมันออกไปไม่ได้กรีนทูบเนี่ยก็ปิดหน้าต่างหมดเลยกรีนทุบมันไม่มีช่องออกไปแต่เธออธิบายว่าท่านกําลังลงมาที่เธอเนี่ยเพราะอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวท่านมาเอาก็บอกเอาบ้ากลับมาสักหน่อยเว้ยมาก็นั่งนิ่งๆกับเพื่อนสองลูกธรรมาก็ถามโยมโยมอยู่คนเดียวทำไมในอาศนะยสามที่ตรงนี้โยมนั่งตรงนี้พระอินทร์ตรงนี้ทาเวสสุวรรณ เอาเอาแล้วเวลาท่านลงมาท่านยังไงเวลายมทำวัดท่านจะมาทำกับยมประจาำะแล้ววันนี้ท่านจะลงไหมเดี๋ยวโยมถามก่อนหลับตาท่านบอกว่าวันนี้ไม่มาเพราะว่ามีคนนอกที่ท่านไม่รู้จักแ้เราอยากเล่นสนุกเราก็บอกว่าบอกชื่อท่านไปว่าท่านวอกมาคนไทยรู้จักชื่อนี้ บอกว่าชีราเมตติบอกชื่อท่านไปหลับจ้ะท่านบอกว่าก็ท่านก็รู้จักเป็นอย่างดีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่มืดสนิท ด, ดีนักเออ ม, มีมีมีเงื่อนไขนะบอกว่ายังไม่มืดมท่านบอกว่าถ้าวันนี้ท่านจะลงทําวัดน่ะค่ํำๆหนักๆเลยอ่ะทักสามทุ่มอาจารย์จะรอไมไหมเจ้าคะธมก็บอกท่านงั้นแต่มายุ่งธรรมาก็จะไปเหมือนกัน สักพักแกก็สวดมนต์ให้โดพอสวดเป็นสักพักตบขาตัวเองนะตบเพ้อวพ้วววเลยนะแล้วก็องค์ลงบัทภแต่ก็พูดก็ไม่ใช่เสียงของตัวเองธรรมาก็นั่งดูนั่งดูแล้วแกก็สวดเป็นภาษาบาลีสักพักหนึ่งก็ออกแกก็เล่าว่าเนี่ยเวลาองค์มานะเวลาท่านมาโยมก็จะพูดภาษามาคตภาษาบาลีภาษาสัญสกฤดได้ทุกอย่างเลยท่านจะไม่ให้โยมเชื่อได้ยังไงเพราะโยมไม่เคยเรียนบาลีธรรมะก็บอกโยม ตะมาเนี่ยจบป ร, ริญญาธรรมก็ประโยคตะมาพูดภาษาบาลีได้เขียนบทความเป็นภาษาบาลีได้ที่โยมพูดมเมื่อกี้มันไม่ใช่บาลีสักคำเลยลงต่อหน้าใครไม่ลงต่อหน้าป ร, ริญญาเก้าจบข่าวค่ะก็เนี่ยตะมาไปพิสูจน์ด้วยเองแล้วตมาก็ได้บทสรุปว่าคนคุ้มดีคุ้มร้ายจะเจอของพวกนี้คนดีๆเขาไม่เจอ อืเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลิกสนใจได้เลยอย่าไปเสียเวลาอ๋อถ้าสนใจเราจะเป็นคุ้มดีคุ้มร้ายใช่ไหมคะคิดเองคือในในชีวิตนี้คุณคิดว่าเรามีเวลาอยู่กันกนละกี่ปีไม่ถึงร้อยอ่ะเครื่องหนึ่งไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านเครื่องหนึ่งไปติดละครน้ําเน่าคที่เหลือเราชิงชังเป็นรู้ในยอดใช่ไหมเออ แล้วครึ่งหนึ่งก็ไปอิจฉาริษยาแล้วค่ะครึ่งหนึ่งก็ไปเล่นการเมืองแล้วค่ะแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ไปคุ้มหนีคุ้มร้ายบา้าคุณวิเศษวเวทไสว้ค่ะคุณจะเหลือช่วงชีวิตที่ดีๆสักกี่ปีคุณมีเวลาบ้าได้ขนาดนั้นเสียเดียวหรือฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยนะพระอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าเรามีปมอะไรสักอย่างในใจแล้วเราแก้ไม่ถูกทางปมนั้นจะเกาะตัวในที่สุดกลายเป็นปัญหาทางจิตวิทยา ซึ่งถ้าแก้ไม่ได้มันจะกลายเป็นอาการทางจิต ท, ที่เรียกว่าจิตแพทย์สังสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์เคยเจอหนักกว่า น, นั้นถึงขั้นพูดกับกระจกเจ้าค่ะพูดกับกระจกคนคนนี้เป็นอดีตนักการเมืองแล้วประกาศวางมือทางการเมืองพอประกาศวางมือทางการเมืองไม่มีใครเข้าไปหาโรกหลานก็ทิ้งตัวเองอยู่กับบ้านแล้วที่บ้านเคยมีคนขึ้นหัวก็ได้ไม่แห้ง พอประกาศว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วคนไม่มาในที่สุดเป็นโรคเต็มเศร้าบำบัดตัวเองด้วยการรอให้ลูกหลานออกไปทำงานแล้วเขาไปนในห้องแต่งตัวนั่งพูดกับกระจกพอได้พูดกับกระจกก็หายต่อมาลูกสาวคนหนึ่งรู้เรื่องนำพ่อไปหาหมอหมอตรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่คนพบความแปลกปลอมพอกลับมาบ้านโรคเดิมเป็นอีกแล้วว่าหนึ่งได้ได้เจอตอมาทางรายการโทรทัศน์ สมาเล่าถึงอา น, นิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานเบนจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมาเล่าให้ฟังสมาก็สอนการเจริญสติภายในครึ่งชั่วโมงนะตั้งแต่นั้นทุกวันนี้เลิกพูดกับตัวเองเพราะว่าเจ้าโรคพูดกับตัวเองนี้เกิดจากการหวยหาอาดิตเขาเรียกว่าโรคพระนอัตตาอัตตาหรืออกโกะมันเคยได้รับแสงสปอร์ตไลท์ส่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม พ่าหนึ่งมันไม่มีใครสองมันก็สร้างตัว ต, ตนป ล, ปลอมๆขึ้นมาสื่อสารกับตัวอีกตัวหนึ่งแล้วพอเรามาสอนให้อยู่กับปัจจุบั น, นสอนเดินจงกรมน่ะนะพอมันหลุดอดีตปุ๊บพั่วเลยยาเป็นกำกำทิ้งหมดแกบอกว่าถ้าผมเจอพระนอาจารย์เร็วกว่า น, นี้นะผมประหยัดเงินไปหลายแสน <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกคุ้มบีคุ้มร้ายทั้งหลายนี่ลึกๆเป็นปมทางจิตแล้วแก้ไม่ได้เพราะแก้ไม่ได้ก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาที่เคยเจอมาบางทีวิจิตพิสดารกว่านี้นะ คอีกสักกรณีหนึ่งอ้าวอันนี้อยู่ที่จังไรเป็นคนบ้านกใกล้เดินเคียงอาจารย์เฉลิมชยัยทา่<บ>ทานพูดถึงบ้านใกล้ไม่ได้พูดถึงบ้านนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าค่ะฟังให้ดีนะ <laughs> บ้านกใกล้เดินเคียงแล้วก็อ า, า, าจารย์เฉลิมชัยก็เสด็จเวลาอาจารย์เฉลิมชัยสร้างวัดแกก็มักจะไปหาแล้วนับวันแกก็จะทรมลงทสมลงทรมลงอาจารย์เฉลิมชัยก็ถามว่าปู่หรือพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยเป็นอะไร นอนไม่หลับทําไมผีไก่มันมาหาทุกคืนเลย <c oughs> แกฆ่าไก่ฆ่าไก่ด้วยวิธีแบบโบราณก็คือผูกผูกเชือกไว้จับไก่มาแล้วก็เอาหัวไปลอดแล้วก็รูดเชือกไก่ก็จะดิ้น <c oughs> ผดดผดผดผดถ้าตายแล้วก็เอาเม็ดมาเชื่อดท้องเลือดไก่ที่ข้างออกมาสดมากถ้าดื่มแล้วสู้ซาแก่ก็มีความเชื่อของแก่งนี้ทีนี้พอสูงอายุทําการแบบเดิมไม่ได้ ทุกคืนแกเห็นผีไก่มาหานอนหลับไม่ได้ก็เป็นอาการป่วยได้โรคซึมเศร้าแล้วก็จะเริ่มพูดคนเดียวทุกวันพอลูกหลานไม่อยู่บ้านแกกลัวผีไก่มาเปิดประตูแกไปอยู่ที่วัดอาจารย์เฉลิมชัยคือไปอยู่ทถวนั้นนักท่องเท่วเป็นเยอะไคุยคนนั้นคุยคนนี้ผีไก่ไม่มาแกบอกว่าสบายใจผีไก่ไม่กล้ามาคนเยอะจริงๆแกได้มาอยู่กับปัจจุบันเ<ฆ>พราะกลับไปบ้านพอปิดประตูปุ๊บผีไก่มาอีกแล้ว<อ>ต่อมาลูกหลานพาไปอยู่มังนอก อยู่อเมริกาลูกหลานเห็นว่ากานะไก่ขึ้นเครื่องไปด้วยไหมคะไม่ต้องห่วงมันไปอยู่แล้วผีไ <laughs> <laughs> ก่ตามไปถึงแค <laughs> ลิฟอร์เนียลูกหลานเห็นว่าอยู่ในศาสนาพุทธมันกำมากเหลือเกินพาพ่อไปเปลี่ยนศาสนาพอไปเปลี่ยนเสร็จแล้วกลับมาพี่จังรายยิ้มมาเลยหน้าเด็กมากอาจารย์เฉลิวจะเห็นพ่ออุย๊ยไปทําอะไรมาอุยอ้ยอุย้ยสบายแล้วตอนนี้อุย๊ยไม่ใช่ชาวพุทธ ถือศาสนาใหม่นี้มันไม่มีกรรมไม่มีเวรเลยสบายใจแสดงว่าลูกหลานเข้าใจแก้ปัญหาคือมันเป็นปัญหาทางจิตไงแกคิดว่าคําสอนนักพูดศาสนาสอนเรื่องกรรมใช่ไหมฝังลงไปฝังลงไปฝังลงไปกี่ชั่วคนนะสอนกันแบบนี้ข้าไก่ก็ต้องเชื่อว่ากฎแห่งกรรมที่ทํากับไก่จะต้องตามม า, าพอเปลี่ยนศาสนาเป็นสารภาพบาปสารภาพบาพุญสารภา พ, าภาพเวรทุกทุกอย่างดีลิศล้างหมดตั้งแต่นั้นจิตแกเนี่ย ถูกฝังชิปใหม่ว่าพ่อพ่อไม่เป็นอะไรแล้วนะเพราะกดแห่งกรรมมีสอนแต่ในศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่เป็นเวรเป็นกรรมทีนี้แกสตรว่าพจิตดีกรรมาเมืองไทยสบายเลยในโลกแห่งความเป็นจริงนี่ถ้าพริกขี้หนูมันเผ็ดสําหรับชาวไทยมันจะเผ็ดสาหรับฝรั่งไหมเผ็ดมากค่ะเผ็ดไหมเผ็ดมากอันนี้ตอบได้ไม่เกี่ยวกับอดีตหรือปัจจุบันไม่ต้องกังวลว่าจะหลอกถาม คถ้ามันเปลี่ยนสําหรับชาวไทยมันก็ต้องเผ็ดสาหรับฝรั่งเจ้าค่ะสัตธรรมก็เป็นเช่นนั้นกฎแห่งกรรมนะถ้ามันใช้ได้กับชาวไทยมันก็ต้องใช้ได้กับฝรั่งด้วยฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนศาสนาหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเถอะคุณหนีไม่พ้นหรอกมันยังชุงอยู่ตรงนั้นแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยลูกหลานใช้จิตวิทยาแก้ปัญหาให้กับพระ อ, อุย้ยพระ อ, อุ้ยได้รับการฝังชีพด้วยชุดความเชื่อใหม่ว่าจากนี้ไปไม่เป็นอะไรแล้วนะเจ้าค่ะเขาก็เลยมีความสุข ก็เหมือนคนไปเปลี hmm. ่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่ออย่างตามาเคยเจอเนี่ยน้องคนหนึ่งไปเปลี่ยนชื่อถามว่าทําไมต้องไปเปลี่ยนเพราะว่าหนูไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วได้ชื่อไม่ดีค่ะอาได้ไม่ดีแล้วทําไมหนูเปลี่ยนก็ตอนแรกกับคนเปลี่ยนเขาบอกว่ามันดีแต่พอมาแปลความหมายแล้วมันไม่ดีขอเปลี่ยนใหม่ที่บอกว่ามันไม่ดีตกลงยอมชื่ออะไรยอมชื่อชามาตชอช้างสละอามอม้าต่อเต่าสลาอุเขียนแบบบาลีว่าชามาตุ แปลว่าโลกผู้เป็ี่ยนดังดวงใจแม่แต่ผู้ที่สอนให้เปลี่ยนนั้นบอกให้อ่านแบบเข้าลิ้นไทยนะลูกนะอย่าอ่านว่าชามาตุถ้าอ่านว่าชามาตุไปที่ไหนเวลาเรียกชื่อขึ้นมาเชิญคุณชามามันฟังไม่ได้คนเี็ชื่อก็บอกว่าให้อ่านว่าชามาดไพระมากเข้ากับลิ้นไทยพอกลับไปบ้านสามีบอกเธอเปลี่ยนมาได้ยังไงชามาดเพราะนี่คะไปลองผวนดูสิชามาดชาด นี่มาให้จำมาจำมาก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นอะไรเจ้าคะเบ็จำมาตอ๋อบ้าจะไม่เป็นดอกไม้สีทองเจ้าขาประดับในงานรายพิธีเพื่อบอกว่าพระอาจเอะไรที่มันไม่เมดเลยได้ไหมเบ็จำมาตดอกไม้สีทองเดี๋ยวสามีก็ทักว่าดอกทองดิเลยเปลี่ยนใหม่เลยเอาอีกแล้วใช้ลายกว่ากับแพววพิชชาโอ้โหทีนี้ดำก็ดำเตี้ยก็เตี้ย พอได้ชื่อแพร่พิชานะเธอคิดว่าตัวเองเป็นอั้มบวกกับพลา่าว <Wow. laughs> ความรู้สึกดีเดินลงบันไดไปเลย <laughs> <laughs> เห็นไหย <laughs> เป็ น, นกลไกทางจิตวิทยา hmm. คลิกนิดเดียวก็เปลี่ยนชีวิตได้เดีวค่ะแต่ที่ hmm. ท่านท่านพูดมาเนี่ยสําคัญที่สุดคือถ้าเราเข้าใจความหมายของกรรมผิดเพี้ยนมันเป็นเหตุที่ทําให้เราเพี้ยนได้ขนาดนั้นเลยนะคะถ้าถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเพี้ยนชีวิตเพี้ยนเลย เช่นทําไม่เชื่อเรงกรรมคุณทำเช่วยไงก็ได้เจ้าค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมอย่างน้อยคุณก็ยังกลัวความชั่วใช่ไหมเ้าะก็หันมาทํากรรมดีอืมฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะกฎแห่งกรรมมีสองระดับกฎแห่งกรรมระดับศีลธรรมในท่านสอนไว้เพื่อให้เรานี่หันมาทํากรรมดีแล้วหนีความชั่วกฎแห่งกรรมระดับปรมัติตท่านสอนเอาไว้เพื่อให้เราถอดถอนอัตตาหรือความสําคัญว่าเป็นตัวเราตัวเขาตัวฉันของฉันทิ้ง ฉะนั้นเวลาเราจะพูดเรื่องกรรมสอนเรื่องกรรมเราต้องบอกว่าวันนี้เราจะเอาระดับไหนถ้าระดับศีลธรรมในกรณ์ทำดีก็ได้ดีอยู่ถ้าระดับปรมัตธรรมมีแต่การทําดีผู้ทํากรรมดีและผู้รับผลกรรมดีไม่มีเลยอืเราก็จะต้องย้ำให้ชัดว่าเอาเวทีนี้นะเราจะว่าด้วยกรรมระดับศีลธรรมนะอย่าเลยไปปรมัตเข้าล่ะทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาเพราะบางทีเนี่ย เ, เวทีศีลธรรมเราปรมัตไปสอน เวทีปรามัดเราศิลธรรมไปปนต่างวัดต่างสำนักก็เลยสอนแล้วก็ขัดแย้งกันเองแท้ที่จริงถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งวอ๋อคนนั้นสอนเรื่องกรรมระดับศีลธรรมใช้ได้คนนี้นสอนเรื่องกรรมระดับปรามัตธรรมก็ใช้ได้อย่าปนกันแยกกันให้ชัดและโดยวิธีนี้เราไม่ต้องทะเลาะ ก, กัน mm. แต่ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าคลุ่หนึ่งสอนศีลธรรมกลุหนึ่งสอนปรมามัตธรรม แต่ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้เป็นเห็นให้ตะบาใช้ชื่อในการเสวนาครั้งนี้ต่อจากของยมแม่นะว่ากรรมของกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมถูกอ้างไปใช้ในทางที่ผิดกฎแห่งกรรมถ้าเราจะนํามาสอนต้องสอนเพื่อกระตุ้นจริยธรรมในหัวใจคนให้คนเนี่ยหานมาทําความดีหลีกหนีความชั่วแต่ทุกวันนี้ที่บอกว่าเป็นกรรมของกฎแห่งกรรมเพราะเราสอนกฎแห่งกรรมเพื่อนําไปต่อยอดสู่พาณิชย์ สู่การทรรรํากําไรจากบรรดาคนที่ถูกขูว่ามีกรรมหนักทั้งหลายอ่ะเนี่ยกรรมหนักแล้วเนี่ยชาติที่แล้วฆ่าเข้ามาชาติเนี้ยลําบากหน้าชั่วไม่ถึงเจ็ดสิบนะเนี่ยแก้กรรมซะก็ฆ่าแก้กรรมก็เอาสักสามพันดีไหมทุกวันนี้มันไม่ใช่กรรมของพุทธเจ้าแล้วมันเป็นกรรมมาผานิดนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้นะคือลัทธิกรรมซึ่งสอนเพื่อกระตุ้นจริยธรรมเสริมศีลธรรมกลายเป็นลัทธิกรรมมาผาณิด อน่าส น, นใจค่ะเราจะต้องถ อ, ถอนตัวนี้ออกไปเจ้าค่ะเดี๋ยวยังมีเวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีคําถามอีกประมาณสามคำถามค่ะที่เตรียมไว้ในวีทีาคุณแม่ค่ะจะกลับมาตรงเมื่อกี้นี้นิดนึงค่ะคือในวีทีาเนี่ยคุณแม่น้องตากก็ถามว่าเหมือนมีวิ ญ, ญญาณตามอยู่ตลอดวิ ญ, ญญาณอาฆาตมีจริงไหมและความบังเอิญที่ว่า ไปซื้ อ, อรถโมเดลเอาไปถวายกุมารทองเสร็จปุ๊บลูกสาวขับรถเหมือนกับรถโมเดลมาจอดหน้าบ้านเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะคะถ้าทั่วๆ่วไปอะค่ะอธิบายยังไงดีอะคะไม่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยชาติเลยชัดแล้วนะค ะ, ะ, คะชัดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะเสริมก็คือว่าที่จริงกฎแห่งกรรมเนี่ยก็คือกฎของความจริงคือเราเนี่ยควรจะอยู่กับความจริงไม่ควรจะอยู่กับความเชื่อ คือถ้าเราเชื่อว่าที่เราคิดเนี่ยมันถูกไม่ว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจะมีอิทธิพลทุกครั้งที่เราคิดนะคะทีนี้ถ้าเราจะอยู่กับความจริงอย่างคนที่รู้จักความจริงเข้าใจความจริงเนี่ยเราก็จ ะ, ะเผชิญกับความจริงได้ด้วยปัญญาแต่ เท่าที่แม่สังเกตดูเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะไม่กล้าเผชิญกับความจริงแล้วเราก็จะสร้างความเชื่อขึ้นมาให้มันเป็นความเชื่อตามที่เราต้องการเหมือนเรามองโลกแล้วเราอยากให้โลกมันเป็นอย่างที่เราเชื่อเราก็จะมองทุกเรื่องไปอย่างที่เราเราสร้างขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ความจริงและการที่เราเนี่ยไม่กล้าเผชิญกับความจริงแล้วเราก็ใช้มิติของการสร้างภาพขึ้นมามันเหมือนกับว่า เราเรามีความคิดที่แยบยนในฝ่ายมิจฉาทิฐิที่จะสร้างภาพขึ้นมาบางทีตามหลักจิตแพทย์อาจจะบอกว่าเป็นภาพหลอนไม่เห็นใจนะคะไม่ใช่เราไม่ไม่ไม่เข้าใจคือทั้งเข้าใจแล้วก็เห็นใจเลยแต่สิ่งที่จะกลับมาในหลักการของพุทธศาสนาก็คือว่าถ้าเราทำมรรคภาวนาให้มากอยู่บนผนทางแห่งการเดินทางที่รู้ทันกระทบอย่างไม่ จมอยู่หรือว่าฟุ้งซ่านอยู่กับสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยถึงมันจะมีความกระเพื่มคือกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนเนี่ยเราก็จะไม่กระแทกไอความคิดผิดเนี่ยออกไปฉันก็ต้องกลับมาที่การปฏิบตัติคืออยากให้เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยพอดูตา ก, ก็ยังกระซิบกันบอกว่าเนี่ยเราก็มองได้ว่าบางทีเราก็มองเห็นอะไรบางอย่างของผู้ถามไม่ใช่เรื่องราวของการถามนะคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเผื่อว่าใครก็ตามที่กําลังสับสนอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้กลับเข้าสู่ความจริงแล้วก็แยกแยะให้ถูกโดยเฉพาะเวลาที่เรากําลังมีภาวะที่มัน เ, เหมือนเราเจริญสติอรักขาจิตอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเรามีอรักขาเดียวที่แน่นอยู่แล้วก็ทํางานได้ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนวเนี่ยความจริงมันจะเป็นความจริงแต่ความจริงมันจะไม่เป็นความเชื่อที่เราสร้างกลไกลแห่งการหลอกตัวเองอะค่ะ ค่ะมีอีกสามคำถามที่เป็นวีทีที่เตรียมไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะให้เวลาสําหรับท่านที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งนิสิตของสาวิการศิขาไัยถ้าอยากจะกลับยันถามพระอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็คุณแม่ชีสันชนีก็เตรียมคําถามไว้นะคะเพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนมีคําถามแล้วเราก็น่าจะใช้โอกาสนี้ที่จะเช็คคําถามของเราว่าความเข้าใจเดิมที่เรามีกับเรื่องกรรมเนี่ยกับคําอธิบายของพระอาจารย์เนี่ย มีอะไรที่ตรงและต่างบ้างนะคะน่าจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะเรามาฟังคำถามเรื่องที่สามใกล้เคียงกับเรื่องเมื่อกี้นี้แต่ขอเตือนนะคะว่าที่ฉายกันเนี่ยไบ่าสามข้อ ย, ยังชั่วถ้าตีสามล้วก็ตัวใครตัวมันเพราะเขาถามว่าผีมีจริงไหมคะ่ะ